ฮึ <laughs> ผู้หญิงผู้ชายอ่ะ้หญิงชายค่ะอ๋อลูกสองคนเลยค่ะเขาไม่เชื่อเราค่ะก็อย่างลูกชายก็เริ่มเริ่มชอบเล่นะอย่างลูกสาวบางคนก็มีโรกส่วนตัวโรกส่วนตัวสูงแล้วก็บางทีก็มีความกลเที่ยวอย่างเี้ยในรายละเอียดตรงนี้คืออย่างนี้เนาะเรื่การที่เราเราเป็นแม่เนี่ย ในขณะที่เราจะเลีเ้ยงลูกการการเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะลูกที่เป็นอย่างเนี้ร้อยละเก้าสิบเก้ามาจากผู้ปกครองไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆที่ไปอยู่กับพระทั้งหลายทีนี่ยนั่นไปนั่นมาเราจะเห็นได้ชัดเลยผู้ปกครองไม่ค่อยเข้าใจในการที่จะให้คําแนะนําเขา เมื่อเมื่อไม่มีความเข้าใจในการที่จะให้คําแนะนำของเขาสิ่งที่เราควรแนะนำเขาเราต้องบอกบอกเขาทั้งเหตุและผลในการที่เราจะสอนเขาเนี่ยเราอย่าไปในโดยมากเนี่ยเด็กจะแยกไม่ออกระหว่างบ่นกับสอนโดยมากเราจะสอนลูกตอนช่วงที่เราโกรธแล้วก็พูดบน่นบ่นบ่นบ่นบนไปเรื่อยๆ มันเลยแยกไม่ออกว่าไอ้ บ, บ่นคืออะไรสอนคืออะไรทุกครั้งที่เราจะสอนแต่ละทีเด็กจะมองทันทีว่าแม่บน่นพ่อบน่นใช่ไหมจะเป็นลักษณะอย่างงั้นแต่เราไม่เคยไม่เคยขจัดความโกรธความหงุดหงิดออกในใจแล้วก็คุยกับเขาดีๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปทํากิจกรรมอะไรกับเขาฉั้นเคยเจอในกรณีที่เด็กเนี่ยกับพ่อแม่ลูกเนี่ย ไม่สามารถคุยกันได้เนี่ยบางทีเราต้องเอาไปตรงไหนหรู้ไหมที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำกิจกรรมพ่อแม่ลูกไปทำกิจกรรมร่วมกันและก็คุยกันในยามที่ปกติเนี่ยเราคุยกับเขาแต่บางครั้งพ่อแม่แยกไม่ออกอะไรเป็นความเห็นอะไรเป็นความรู้เนี่ยแยกไม่ออกก็ทำไงงั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดพ่อแม่แม่หรือพ่อนี่แหละต้องมาศึกษาเกิดความเข้าใจแยกให้ออก แยกระหว่างว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นความเชื่ออันนี้นเป็นความเห็นอันนี้มันเป็นความรู้และในในขณะเดียวกันเมื่อเราแยกอย่างนี้ได้แล้วเราคุยกับเขาเนี่ยมันจะคุยด้วยความเข้าใจเขาวิธีการก็คือเมื่อเราแยกตรงนี้ออกไปเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าถ้าลูกทําแบบเนี้ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรอันนี้คือความดีอันนี้คือความไม่ดีอันนี้คือกุศลอันนี้อกุศล อันนี้บาปอันนี้บุญอันนี้คุณอันนี้โทษอันนี้ประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราแยกให้เขาอย่างนี้เป็นหน้าที่นะเราบอกว่าอันเนี้ยแม่ต้องทำหน้าที่นี้เพราะหน้าที่ของแม่ก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์นี่หน้าที่ที่แม่ต้องบอกส่วนเมื่อบอกไปแล้วลูกทำได้ไม่ได้อยู่ที่ลูกมันต้องถ้าเราทาความชัดเจนนะบอกว่าไม่เป็นไรแล้ว ลูกอยากจะติดเกมก็ได้เล่นเกมก็ได้มีโรคส่วนตัวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ เ, เรื่องของลูกแต่ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่แม่ก็ต้องชัดเจนในตัวเองนะในขณะที่เราบอกเนี่ยเราต้องบอกในลักษณะที่ว่าเราต้องยอมรับความจริงถ้าลูกลูกดําเนินไปทางนี้เหมือนเราเป็นคนชี้ทางเนี่ยถ้าทางนี้เราจะเจออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าทางนี้จะเจออะไรบอกเขาหนึ่งสสามสี่ห้าเมื่อบอกไปเสร็จปุ๊บบอกว่าลูกเลือกเดินแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น และอย่างหนึ่งให้สังเกดตดูนะเวลาลูกที่มีโรคส่วนตัวเราที่มีอย่าว่าแต่ลูกเลยเราก็มีโรคส่วนตัวเพราะเราเนี่ยอยู่กันเนี่ยโดยมากคนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการอยู่ด้วยกันโดยการทุกคนมีโรคส่วนตัวของตนเองถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่เคยวางความต้องการของเรา <S <S ใช่ไม <S <S เราไม่เคยทิ้งความต้องการของตนเองเโดยมากเราก็ โดยมากเราเราก็จะเอาความต้องการของเราเนี่ยไปกำกับเขาเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เห็นไ้ยเขาก็เอาความต้องการของเขามากากับเรายอมลองทํเดียสิโยนทิ้งเลยยอมโยนความต้องการความอยากความต้องการของเราโยนทิ้งโยนออกไปจากใจเราจริงๆเลยนะแล้วก็มาดูเขาสิดูที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้ ยอมต้องอ่านให้ขาดนะที่เขมีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะอะไรมันมาจากสภาพจิตเขาแบบไหนเขามีทัศนคติมุมมองอย่างไรเขาจึงมีจิตใจแบบนี้จึงมีพฤติกรรมอย่างนี้พอยอมอ่านเขาได้ทั้งหมดเหล่านี้นี่แปลว่ายอมรู้แล้วแล้วอะไรที่ยอมจะทำตามความต้องการเขาได้ถ้ายอมลักษณะถ้าทำอย่างนี้ได้ในฐานะเป็นแม่ที่เราทาโดยชนิดที่ไม่ได้เอาความอยากของเราไปกากับ แล้วก็ทำตามความต้องการของเขาที่มันดูแล้วเราพอทำให้ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่คนใจดำนะเขามีความรู้สึกเนี่ยว่าแม่ทำให้เขาแม่รักเขาและเราบอกเขาว่าสมมุติว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบนอนตื่นสายเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนไม่ชอบทำการบ้าน เขาเป็นคนแบบนี้เราก็บอกเขาว่าลูกไม่เป็นไรนะแม่จะไม่เนี่ยถ้าแม่ปกลูกลูกก็จะโกรธ ถ, ถ้าแม่บังคับให้ลูกอ่านหนังสือแม่ก็จะโกรธเออไม่ใช่ลูกก็จะโกรธ ถ, ถ้าแม่บังคับให้ลูกแต่งตัวอาบน้าเวลานั้นลูกโกรธหมดเลยนะเนี่ยเน็ต แต่ถ้าแม่ตามใจให้ลูกเป็นแบบนี้ถามว่าลูกชอบใจไหมถ้าชอบใจนะแม่จะตามใจแต่มีข้อแม้ลูกต้องรู้รับความจริงนะลูกจะต้องถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือไม่ได้เรียนอะไรก็แล้วแต่หรือน่าเข้าลูกเรียนไม่จบแม่จะยอมรับมันแม่จะไม่โกรธนะถ้าลูกยอมตรงนั้นได้มองออกไมคือกล้าไหมกล้าแลกกับเขาไหม แตยอมต้องกล้าจริงนะและต้องให้เขายอมละและให้เขาได้เข้าใจจริงๆว่าถ้าต้องอธิบายจนเกิดความเข้าใจคุยกันแบบธรรมดาโดยยอมไม่ได้ใส่ความรู้สึกลยมเลยเนี่ยใส่เรื่องเหตุผลโดยเฉพาะว่าในลูกการไม่เรียนเป็นยังไงชี้ให้เขาเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยพาเขาไปดูให้ชัดหมดเลยเด็กที่ไม่เรียนเด็กที่เกเ ร, รเด็กที่ไม่สนใจเรียนเป็นยังไงยอมดูออกทั้งหมดเลยนะอธิบายจนชัดแล้วที่คนที่เขาสนใจเรียนเขาขวนขวายเป็นยังไงยอมมองชัด แล้วยอมก็นั่งคุยกันหาเวลาคุยคุยจริงๆคุยธรรมดาแล้วก็อะไรที่มันความผิดพลาดของเราแก้เลยนะเช่นเราจุกจิกจู้จี้ทั้งหลายเราแก้แล้วก็บอกเขาถ้าโยมได้มีโอกาสชี้แจงให้เขาจนเกิดความเข้าใจอย่างเนี้ยไม่เหลือเอาม า, า ย, ยกตัวอย่างนี้นะเด็กเด็กอยู่บ้านเนี่ยติดเกมไม่สนใจเรียนไม่สนใจพ่อพ่อแม่ เอานอนตื่นสายไม่ไปโรงเรียนไปเรียนด้วยความถูกบังคับมาตลอดตั้งแต่เกิดยันมสามบท น, นี่เอามาฟังเอามาบอกว่าเด็กอย่างนี้ยมันแก้ได้อยู่ที่โยมเขาบอกแก้ได้ได้เอามาบวชไหมเ้าบอกเอาถ้าขืนอยู่สงสัยเสียเขาเอามาอยู่กับมาเนี่ยพอมาอยู่อัมาเนี่ยอามาบอกเหตุบอกผลเขาทั้งหมดไม่ได้พูดอะไรสักคําเลย ใชไหมทุกวันนี้ให้เขาอ่านหนังสืออะไรก็ได้บางครั้งเราต้องไปบอกเขาให้เบาๆหน่อยอันนี้แปลว่าอะไรเขาเริ่มรู้แล้วว่างโง่เนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้แย่แล้วมันความงโง่น่ากลัวความงโง่ความไม่รู้ความไม่ฉลาดความไม่ขวนขวายวิชาความรู้ให้กับตนเองเนี่ยมันจะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความลำบากแล้วคือชี้ออกมา จ, จะชี้เขาเห็นทั้งหมดว่าอะไรมันเกิดขึ้น แล้วชี้แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลให้เขาเห็นว่าเนี่ยความไม่รู้มันเป็นยังไงความไม่ฉลาดมันเป็นยังไงการดําเนินชีวิตผิดมันเป็นยังไงการเดินชีวิตถูกมันเป็นยังไงชีวิตควรดาเนินอย่างไรแล้วเราต้องเล่งขวนขวายังไงอายุเราขนาดเนี้ยแล้วพออายุถึงสี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเรียนไม่เข้าแล้วรับความรู้ไม่เข้าแล้วเรามีเวลาจั ง, จงหวะเวลาในการเรียนรู้ต่ํา ม, มากเวลาตรงนี้เราต้องเล่งขวนขวายังไงบอกให้เขาทั้งหมด และอะไรมันสําคัญเราต้องรู้ศาสตร์อะไรบ้างในชีวิตนี้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยโอ้โหยอมมีหนังสือโยนให้ไปเท่าไหร่อ่านหมดเกลี้ยงหมดใ้ฉลาดยังไงก็ได้เรียนอะไรก็ได้อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยยอมเวลาบอกอะไรเน่ยอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้ความอยากใช้ข้อมูลใช้ความรู้อย่าใช้ความเห็นใช้ความรู้เนีย่ยยอมบอกเขาบอกเขาแล้วก็ให้อิสระ เหมือนยอมเห็นเห็นทางเนี่ยทางนี้ไปตกน้ําทางนี้ไปขึ้นเขาทางนี้ไปทะเลทางนี้วิ่งแล้วปลอดภัยบอกทุกทางนะยอมนะหนูเลือกเอาไปเฮืออยากจะไปทางไหนก็ไปเฮือเป็นอิสระเพราะแม่บอกแล้วไงแต่ยอมได้บอกรายละเอียดอย่างนั้นจริงไหมล่ะถ้าเขาจะไปตกทะเลตายเนี่ยยอมต้องวางใจไหมโอเคเพราะเราบอกรายละเอียดหมดแล้วไอ้จะนี้โง่ยังอะ ถ้ามันจะวิ่งไปว่าตกทะเลตายก็ปล่อยหวัวเธอยอมอย่างเงี้ยคนแบบนี้มีอีกเยอะอย่าไปยุ่งกับเรื่องเขาเยอะจริงไหมเพราะว่าคนแบบนี้มีมากที่วิ่งพาไปตกทะเลตายเนี่ยอย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปกังวลกับเขาถึงแม้จะเกิดเป็นลูกเรามองออกไหมแต่ถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยมันเป็นความผิดของใครความผิดของยอมไงแต่ถ้ายอมบอกจนทุกอย่างแล้วบอกจนละเอียดแล้วเนี่ยถ้ามันยังจะดันทุลังในการ เดินไปตกทะเลตายก็ปล่อยหวัวแล้วมึนจัดเข้าใจยังแต่ถ้าโยอมไม่บอกหรือบอกเขาไม่ละเอียดมีความผิดยมไงแต่จงบอกด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งหมดอย่าใช้ความอยากให้ใช้ข้อมูลความรู้ล้วนๆบอกทุกทางก็ในยมนะบอกเสร็จปุ๊บยอมเป็นอิสระกับความรู้นั้นอา้าวทำไมลูกเองเป็นอย่างนั้นโอ้บอกหมดแล้วเขาเขาชอบที่จะเป็นอย่างนั้นปล่อยก็คือนะแลเขาก็ตัดเลย ไม่มีปัญหาเลยยอมเขาก็เป็นลูกเราก็เราชาติเดียวแค่นั้นยอมกังวลอะไรกันนักหนาจริงไหมไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยคุยกับเขาคุยแบบนี้เลยยอมโอ้มีปัญหายอมไม่ฮัมีปัญหาลูกก่อนหน้านั้นลูกไปหนูเป็นลูกใครมาก็ไม่รู้ในสังสารวัดก็มาเป็นลูกกันก็ชาติเดียวแค่เนี้ถ้าหนูจะไม่เอาดีไม่ทําดีไม่ประพฤติดีก็ไม่เป็นไรแม่ก็ทําหน้าที่แม่เต็มที่แล้วหนูไม่ทําหน้าที่เป็ลูกเรื่องหนู แต่สําคัญยอมมีข้อมูลพอไหมตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าข้อมูลไม่พอยอมก็เป็นอย่างที่เห็นเยวะเขาโกรธเขาหงุดหงิดกับเขาพยายามกำ ก, ำกับเขาเขาอึดอัดเขายอมบแบบเนี้ยแต่ถ้าเขารู้ชะตาชีวิตเขาสิรู้ชะตาชีวิตเฮ้ยไม่ได้เรื่องเว้ยแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เราเลยนะเนี่ยให้ข้อมูลความรู้เราเราต้องขวนขวายข้อมูลความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะอยู่ในโลกใบ น, นี้ไม่ได้เพราะแม่ให้ตรงนี้เราเท่านั้นอย่างอื่นแม่ไม่ให้ชัดไหมแบบเนี้ย ถ้ายมลองทําชีวิตแบบสบายๆแบบเนี้ยอมไม่ต้องไปโออะไรกันนะกันหนาะว่า อ, อยากเล่นเกมไม่เห็นเป็นไรเลยยุคเล่นก็เล่นไปถามว่าระหว่างคนผลิตเกมคนเล่นเกมใครโง่งกว่ากันใครรวยคนผลิตเกมขายเกมมันก็รวยกว่าอย่างเองก็เป็นได้แค่ทาามีปัญหาหรอคนอย่างเองมันเยอะคนโง่องๆอย่างนี้มีเยอะตายก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแ ม, ไม่เสียใจทําไมต้อพูดอย่างนี้ดูทีมันฉุกคิดในเด็กงนะี้โดนพูดแบบเนี้จริงไหม ยอมไม่สอนถ้าสอนชันสอนเนชั้นสอนแบบนี้เลยนะนเห็นมีปัญหาถ้าเขาจะเกจะดือ้อไม่เห็นปัญห า, าคนเกคนดื้อในโลกใบ น, นี้เยอะแยะหมดติดคุกติดตารางก็เยอะยังไม่ยมมากมายเหลือเกินก็เลือกเอาอยากเดินทางไหนก็เลือกทุกคนมีอิสระเสรีภาพอยากจะเดินแต่คุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทำานะ ถ้ายอมพูดอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นโอ้โหแม่มาไมา้ไหนวะเ <c oughs> ขาใจะยังโอโ้พูดยังไม่ค่อยแคร์แล้วแลวไม่แคร์จริงๆนะยอมนะไม่ได้กังวลอะไรใดเราทําหน้าที่ขิความเป็นแม่สมบูรณ์ไหมถ้าทําสมบูรณ์ไป็เสร็จยอมชื่นใจในสิ่งนี้ยอมทำแต่เขาไม่ทําหน้าที่ขิความเป็นลูกผิดอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราเนี่ยจริงไหมล่ะเอามาพูดตรงไหมแบบเนี้ยชัดเจนไหมแต่เสียดายว่ายอมต้องให้ข้อมูลเขาทั้งเต็มที่ให้ในยามที่เขาเขาไม่ใช่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอะ ระหว่างบ่นกับสอนลูกมึนเลยเออบ่นทุกวันเลยอะเข้าใจใไหมไอสอนมันก็เข้าใจว่าเป็นบน่นยอมเป็นบ่อยแบบเนี้ยบน่นแยกไม่ออกเลยเราแม่บน่นหรือแม่สอนวันนี้งงมันพอพูดแต่ละคำมันมองว่าบ่นหมดเลยนั่นก็เบื่อถ้าเป็นฉันเป็นลูกยอมเนี้ยก็เบื่อมันก็ น, น, น่าเบื่อใช่ไหมล่ะ ถ้าบอกอะไรแยกแยก แ, แยะอะไรชัดเจนนี่โอเคแล้ชีวิตยอมพอมองออกยางยากไหมการสอนลวกยากไห ม, มไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ยอมยอมกล้าไหมถ้าบอกความรู้ให้กับเขาแบบนี้ไปเสร็จปุ๊บยอมเป็นอิสระฉันไม่เคยกังวลนะนฉันให้ข้อมูลความรู้แก่พระบอกเออท่านทำนี้ถูกทำนี้ผิดบอกก็จบไม่ใช่ไป เย็ดมันโอ้เป็นทกละเครียดทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นใหม่เลยคุณเลือกมั้งคุณทำถูกสิ่งดีๆก็ถ้าคุณทำไม่ถูกสิ่งไม่ดีก็เบียดเบีย น, ยนคุณเองจริงไหมสมควรเก็บไว้าหนยัง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยอยังยอม